เรื่องทรงห้ามฉันเนื้อเสือเหลืองสมัยนั้นพวกในปราณฆ่าเสือเหลืองแล้วกลิ่นได้ถวายแก่ภิกษุทั้งหลายผู้เที่ยวบินทบาทภิกษุทั้งหลายฉันเนื้อเสือเหลืองแล้วอยู่ในป่าเสือเหลืองไล่ตะครุบภิกษุเพราะได้กลิ่นเนื้อเสือเหลือง